ว่าผจริล่อนควรจะเลิ่อในทางพระพุทธศาสนานี่คิดใจคืนทั้งพระโสดาบันชั้พระาตุข่านี่อาาขานี่ก็ดีมักได้มักหนึ่งคนไดคนหนึ่งก็เรียกว่าจะเลริญ่มมีเงื่อนฝากข้างไว้ร้ายๆเรียกว่าจะเลื่อผู้ใดถือยังฉันผู้นั้นจะท้าวิตดิน นับิบโมลุคั่วพอใจพิดอีกโดยโมลุตัวอีกผู้ใดเห็น้มผู้นั้นเห็นเล่าผู้ใดปฏิบัติถ้ำผู้นั้นปฏิบัติเราผู้ใดเข้าลบถ้ำผู้นั้นเข้าลบเล่าผู้ใดระลึกถึงถ้ำบ่อยๆสเดียวก็ผู้นั้นระลึกถึงเราบ่อยๆผู้ใดเข้าลบถ้ำก็เดียว่าผู้นั้นเข้ารบเรา ผู้ใดรู้ถ้ำตามเป็นจริงใน่ซันแน่ใดเสียดว่ารู้จักเล่าตามเป็นจริงใน่ซันนั้นเพราะผู้เที่ยวเยืนยันไว้แล้วผู้ใดบ่เห็นถ้ำผู้นั้นสิมานอนกอดนอนเฝ้าห้อยู่ก็ตามผู้นั้นบ่เห็นเล่าในจังหัดเซี่งหายหึ่งให้ใหพราว่า ก, กริ ฉันเสียมาส้มก่แล้วเป็นของป่วยเน่ายังงวดกะนีเอ้ยงามกับงามตามสมุดสวยกับสวยตามสมุดนั่นแหละจะทาเป็นของปู่ติเลยป่วยเน่าเด้ฉันเสียมาติดเจ้าเพียอนแค่นั่นและเกลับไม่ไว้ละฉันจรงนี้ปัญหาทำความเพี่อนจลไปมาสองเถือสามเถื่อยังโมไปพอพูนถึงชัท่าจลิศพอเบิ้งพอแงงอหูพอองเจ้า เห็นไงเพิ่งจังห่ำหันจังชัดแต่เพราะว่ากะลิเหลืมใส่พระองค์เจ้าด้วยพระกายมันเป็นบุญบ่ละมันก็เป็นหมุนมันยังเป็นโลกขี่อยู่มันยังวัาทันทั้งโลกกุตลละพอเมืองผาดพิ่งร่างกายพระองค์สวยงามเนี่ยขจักภาพพิ่งไปในร่างกายผู้อื่นตลอดถึงผู้หญิงเนี่ยขจักผัสามารถเข้นของตามเป็นจริงลึกลงไปกว่านั้น แต่การที่เพินเหลื่อมใสพระ อ, องค์เจ้าอยากบึงอยากเง้งพระ อ, องค์เจ้ากูเสาะสู้แรงจิตใจของเพินสิย่ในแต่ละรัหนันว่าสิลธรมอันที่สูงขึ้นไปพระพุทธเจ้าต้องการให้ก้าวหน้าไปอีกต่อปไปเอาไยถูกกนเคยอยากเห็นธรรมเห็นธรรม เพราะเมื่อผู้นั้นกันัตเต็มหูสวยหูงามเนี่ยแล้วลาขะวัธามมตดจะปลดเปืืองออกจากคันธาชันดานได้เพราะว่าท่านเห็นตามเป็นจริงของความคอข้อมนเนาเห็นจะคว้มสวยขมงามผิวทางนอกอย่างเดียวเหลือด้วยส่วนคนบุญที่ค์เก่าสังมาส่วนสิพี่จะหน้าลงนิมังปติกูลังนิมังพติกุล่ามูนี ผู้ที่กายยังฟัตต ว, ว่าโมนียังวัดท่านในมีในภาวะกกะลิเลยเหตุจังนัตว์คนจังบางไฟมันจะขึ้นเนี่ยเราคนอะ ไ, ไจับสัตว์ขืนให้ผ่านภาวะกกะลิติดอยู่เฉพาะเพียงแค่นั้นจนตายว่าท่านในมักผลภาวะกกะลิสิไปเกิดใย ย่างชุงก็ไปเกิดพ่อมาโลกเป็นโลกีพอเหลื่อมใสในหูกุกายพระองค์เก่าหรืิเทว า, าโลกเมื่ออยายุไขก่อจากลงมาย่างมาทำทั้งโลกุ ต, ตละสันไรสันหนึ่งพระองค์มุ่งอยากให้เอาของดีก็นั่นบุญองก้อนมาพระองค์นั้น ละราคาโทษสามโหามหะไ่ได้หอกหรือจึงไปให้ทวกวะกุลระกยดแทะแล้วมีความแก้ไข ว, งว า, ต, ววาต้องกินบักม่กวงก็ดีต้องกินกล้วยก็ดีกินบักมี่ก็ดีต้องเคียดแถมมันบอกให้จะาปอกผิม เผือกมกม่วงก็ดีหมกมี่ก็ดีกล้วยก็ดีแล้วมกิ่งมดทั้งเปลือกมันก็เพราะมันมีประโยชน์กลุ่มค่าเอยากหายได้ประโยชน์หลายกว่านั้นมันม้อึดทอดสิกิ่งจังสั้นถ้าไปมีอัพโขถ้ากินมีอัพโขอยู่มองเป็นประโยชน์แก่ลำสองลำใส่ม่ประโยชน์อยู่มันว่าเป็นประโยชน์ บางข้าพออว Hi พระองค์เจ้าให้พวกอิจฉานั่งขละพวกดันมาส์มาเข่ามาเฝ้าพระ อ, องค์งเจ้าต้เสียงโหเสียงเสี่ยลเสียงตะกองตะโฟนกะ ป, ะ, ปะหนักตะตีนตะมือมาหอดตีนเขาใก่สิขาวัดใก่สิตาฮาพระ อ, องค์เจ้าพระ อ, องค์เจ้าเลยงก้าววา อานอนท์เลยค้นมาแต่ไสน่ะคือพวกเศร้าประมงแย่งปลากันแท้ยุคกระทึกคือโก้มมาเล่าวาวังคบขาดสามารถก่มเพลลาเพยญดได้อานนท์เลยสิยปไป okay. ไล่เขาหนี้ใช่ไหมไอเขาขอมาใก่กระทากคตบวชสอบพระอานอนท์เป็นผู้ฉลาด ด้วยคุณะเวทธีของพระองค์เจ้าเป็นผู้มีคติก็ได้การพระองค์สามที่แหละก็ไปหาพระเจ้าการว่ า, วายาพ่นอทั้หทงหลายจะเข่าเฝ้าพระองค์เจ้าเฮ้าคอยพากันเงียบสงบเนื้อแม้จะพากันก็ถึกถึงโค้งเข้าไปไไไไา น, นิดนิดนี่มีพากันเงียบจ้ะกัรว่ายาติพหนอของเฮ้า เม่อจากสองเขาไปะห้าพระองค์เจาออ้าดอกก็ฉันบ่ได้เฮ็ดบ่ได้อึอกกทึกจังสีแล้วบ่ยออเขาว่าฉันให้เป็นเรื่องของพี่นกแลให้เป็นเรื่องของอาชว่าโอ้จจากขาเแล้เวเจาว้าข่าเมือท่านนเดียวนี้นี อ, อ, อ, อ, อมนี่เดียนี้ พระองค์เจ้าบอกมาเห่ไหรพอท่านนี้เน่พะพระองค์เจ้าวศงเง n นทางของพระอาเดียเจ้ทาทังของปุตุชนคนนาฮิโ น, น่คําโมปุตชเนกุว่าเป็นทา้งนําออกเป็นท่างเพิ่มความเพินในวัฏสงสารเป็นทังเพิ่มก า, มาลมาลาภะ มนุษย์เท่าว่ามันกกบเป็ือนอืงแสวงหาที่ดีก็กบก็อืงอึง น, นี่เพียงแต่แสวงหางแต่เพียงเสีสมกันถนัด ม, มวลในอันหนักรับในฝ่าไม้ฝนไม้เจ้าง้อสงบฝาโน้นสลาด พราเจ้าสงบมดเนี่ยพ่อองค์เจ้าพระเจ้ายมจำนนเออไปไปขามางพอนุณออกไปมองเห็นเขาก็เลยกวกเมืงเองออกเขาขเล็กเขาหนาเรียบร้อยพระองค์เจ้าขอที่ถือนะวิธีเอาผู้ที่ทึงไก่ชนะข่มก็มีผู้ทึงพระโซดาวันก็มีผู้ถึงสกัดขาข้ามีก็มี นีปัญหาสอดเขามาว่าพระองค์เก่าเฮาเลยเป็นภูล่เป็นภูละาลุร่าเสียงลักินละกลดบรายบอก่าจิตผลถุกแล้วเพราะฉะังไปวุ่นวายนะมันยังสั่งสร้างที่ดีสร้างผ้ามเป็นอุเบกขาจะเป็นยังให้ม่อมพลเปเหลือกของเขาจะเป็นยังนี่ปัญหาสอดเขามา โตคนแล้วไอ้คนไปซิตี้เขาหมายถึงไหมคือเรื่องของเขาทีของเขาอยู่ท่าข้างคารวะเขก็มวนกันอยู่นั่นแหลก็ในสถานที่ที่เขาไปหาพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าก็ต้องมีสิทธิ์ว่ามันพระองค์เจ้าสิ่เขาไปหามเขายังในบ้านในเมืองในทำเล ข, ของเขาพระองค์เจ้าต้องมีสิทธิ์มีสมในสถานที่ของพระองค์ที่พักอยู่อาศัยนี่อันหนึง่งและมันเป็นทางบอดี มันเป็นทางถอดสะพานแห่อนุชนรุนหลังสิ่เขาไปหาพระหาเจ้ า, า, ามันจะหองหู้โพ่สังกะพระองค์เจ้าถอดสะพานวันนี้โลบโ ก, กนหลงพระองค์เจ้าว่ามีเราเขาห่วงมาเรื่องสัน่นเข้าแทนที่ว่าถืไปเขียใขดให้เขาโกดให้เขาสิโต๊ะมลหกทั้งดิบน้าเขาคิดสีห่อนสีกุลนรืงสั่นก็บว่านี่แต่มันบ่ถือทาเนียมทาเนี่ยมของโลกุตระ ครูสั่งสอนนิย่านิกระทำน้ำสัตว์ออกกับวตาสงสารบอมันน้ำสัตว์ใชหมุนเวียนในวัตาสงสารเลยผสมทะณะของพองระองค์เก่าผสมทะณะของวัดผสมทะณะของพฤฤฤง <c oughs> ระพุทธสงฆ์เนี่ยผสมทะณะของอุบาสก อ, อุบาสิกาใช่ไหมฮ่องโอง้พระเชิ ก, กะ ปีบแซวขามหาพระองค์เก้าว่ม่เสิเอันยังสั้นต่อนรับพระองค์เก่าว่ม่เสียอาอหนักมาเข้าลบพระองค์เก่าหรือถ้ามะหรือประสงค์โมสมควรเจ้าหมอครับหมอลำหมอปีหมอแค้นมาเขารบพระองค์เจ้าถึงตัดพ่อพอจะทอดสะพานให้อนุชนรลุนหลังพระองค์เจ้าป้อให้เขาเป็นนังสั้นแล้วในอนาคตพอจะกล้ามปามเมืพระองค์เก่าเคยพามาทํำสิ เพรสิ่งที่ทำยังแสนมันบ่ดีมึงกวนเอาทิพย์พระพุทธเจ้าต้องการจะอันดีเมื่อเห็นอันนีบ่ดีเกิดสึงงาเนี่พระพุทธเจ้ากับพระามบ่ปามเนี่ยพระพุทธเจ้าจึเป็นที่เฟิงของสั้งโลกได้จังเลยปัญหามันสอดความอนี้มนพระพุทธเจ้าระงับเสียงบ่ได้พระพุทธเจ้าว่าด้หากินน้าอุเบกขาหนาเดียว ถาว่าพที่สร้างสอนได้เรียมไหนจะสร้างฟอนมมันไม่มีเรียมพอที่เข้าใจได้น่ะพระพุทธเจ้าช่างว่างอุเบกขาเพามันใส่ใส่อุเบกขาหนาเดียวเห็นพระวัตรลิ พระม่ารุ่งตายแล้วเกิดด้วยพระองค์เจ้าหรือตายแล้วศูนย์ถามพระองค์เจ้าโกาดกเทียงหรือโดกวัเทียงถามพระองค์เจ้า โลกมีที่สุดหรือว่มีที่สุดก็ไปท้าพระองค์เจาะเข้ามาลุงบวชกับพระองค์เจาะชีพไปในอื่นเสียละกอเป็นอื่นเราเรือพระองค์เจาะโลกฮาร์ที่สุ ด, สดอออก็ไม่ใช่มหาที่สุดก็ไม่ใช่ ส, ชสั่นหลักเลือ จจออเจ้าหนิบ่เจาอง์เจ้าจนมุ่มหมดรัตายแล้วเกิดอีกผมี่ว่าเกิดอีกก็มนี่บ่รหรือเกิดตะพืชหรือว่าเกิดตะพึชเดี๋ยว่าร่วมขอป่อยมีสิบขอเดี๋ยว่าอันจะฆ่าเหตกาทิศที่สิบก้มเห็นสิบย่างเดี๋ยวทิศทีเห็นสิบย่างทงนางเซยบ่ป่ะ เขมาลุ่งสอดเขามาถ้าพระ อ, องค์ว่าส่งแกข้าพระเจ้าจะคอล่าสิบขาพระองค์ใหถูดบัดย่อยกออกมาท่านมาบวชกับเล่าท่านกับบรปไปติมย่ากับเล่าว่าจะแกะอันจะค่าหิการทิทีนี่ชิดคอนี่ ยัสีน้อมบวชท่านกั บ, บรินทั้ญากรับเล่าเล่าก็นเนื้อควาท่านบวชหรือเชิดท่าและเห็นธรรมอ่ะทำในสัปนึงจนเกลื่องปุ๊บิดปุกใจของท่านแล่เมื่อท่านสีมาพูดประสดเด็กบันเอาเพอเอาชนะกับสถาพดจันทิกเกิดเรียกว่าท่านจะเป็นนมว่ยอกกับสถาคดมาวางเข้ารลบนักถือท่านจากคิดกับเจ้คิดไปเีย แต่ว่าควบเลือมใชนพระพุทธศาสนาของท่านอย่างบทันเพียงพ่อบทสมชันะพระ อ, องค์จกาเรยบทสงแก่คนวาทิฏฐิมันดิงแล้วแก่เนี่ยนว่าเพิ่นบอกแก่อุ ป, ปมาเป็นยังไงอุ ป, ปมาเน่ยเป็นยังสง พ้นบวชนุ่งเหลืองทือเหลืองแล้วเหมาสมฐานะสี่เอาคำยังสั่นแต่าเลียงพระองค์อุปมาคือหือใหญ่เมื่อกินยาดามฤตกถืิดึงมาตื่นร้ายบ่มาเพาะกำลังบ่พอกำลังผู้ถึงบ่พอและไม่มีประโยชน์แกผู้เพื่อนอธิบายให้ฟัง และเมืม่อวันตุ่ยงแกผู้ฟังคนหังว่าหากว่ายังหมืดยังหนายังถึงเพียงนัน้นยังเม่อเสียว่าตายแลยเกิดๆจะตายยังเม่อเสียมักฝนนี่พ่านมีแหละเล่าสิไปเสียมสอนอยังไงให้กับพ่อทิ่ได้ประโยชน์เพราะทุนเกาวงี้เป็นว่าดีคนวมากือม่ <c oughs> มันมาเป็นหูบดามขวนจักเม็ดยังสีแล้วจะไปทาเอาถึงมาใส่มันกับวมันท น, นมันจะเป็น okay. ่นเองอนแอ็ดงอนไทยมันก็ต้องกดไหวสมควรจังสีเบียดสีดัดดมันมาเปลี่ยนเสียร้อยยังส็เสียร้หมดยั้งลางเราทงผู้อื่ผู้ฟังสีว่าอะไรกันเราผู้เทศก็อกสิ้บ่ว่าอะไรกพระองค์ได้ว่างเคยก็ได้อกอธิบายให้ฟังท้าอย่างซิบลาสิบค้าก็จ ราศีค้าไปถือเมื่อท่านจะเอาขวอมประสดแดกดันมาในศราขดกันครับก็เรียกว่าท่านจะเอาเพรเอาชนะในศราคดกิจทิฏกุณทิบพ่อใจในสรัทธาขดทีประสดแดกดันมันไม่เงินในพันธะสันดานของท่านแล้วถึงแม้แต่ท้าคตจะอธิบายให้ท่านฟังเชื่อเพียงไหนถ้ามั่นนั่นกับเป็นบางท่านอยู่างว่าเข้าใจได้ เล้วก็งอไม่ยอมจำน้อดยอยู่ในภาษาสนาภาษาลัธิโนนประโยชนพระพุทธเจ้าบด้หากินทั้งอุเบกขานาเดียวบด้หากินทั้งครูทั้งดานาเดียว บ่าจะหากลินทั้งปอบโยนนาเดียวบ่าจะหากินทั้งเทศบรรจงนาเดียวพระองค์เจ้าเทศไม่ร้ายลักษณะวิธีวิธีย้อนถามนี่ย้อนถามพระองค์จนนุ่มหอกหรือจึงไปย้อนถามเพื่อถามให้ผู้นั้นเขาใจชัด ที่แรกก็ว่าปัญจขันธ์เป็นอนัตตา okay. เทศถพบรรจวัคคีหนุ่มหนุ่มนึกวางไวจ้จากเทปย่อๆเมื่อจะออกพิสดารแต่พวกปรรจวัคคีพวกปุษสามารถฏฐิเข้าใจได้ขันว่าปัญจขันธ์ลูกเวทนาสั้นญาสังนานนิยามเป็นตัวเป็นตนแล้ว ปัญจขันธ์ก็บว่าเป็นไปเพื่ออ า, าพาธและเก็บป่วยเนื้อเกิดแปรรับต่งตางๆเหตุใดปัญจขันธ์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปัญจขันธ์ปัญจขันธ์ทั้งหลายจึงนไปเพื่ออ า, าพาธและขยายออก <c oughs> เช่นลูก มีดินหนามอยลมประสุมกันอยู่เนีย่ยเเกิดมาง่ามากด้วยพอซุกและขนมกลุมะ่ะเยสามารถแตกมาสลายถ้าหากว่าลูกเป็นเล่าเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นมุน ค, คลดงัดงดังเฮาที่สมุทใส่กันแน่ลูกก็บอเป็นไปเพื่ออาพาธถันเมื่อเป็นเรื่องศาสนาลูกเป็นของเทียงหรือว่าเทียง โมเทียงพระเจ้าข้าขันมันโมเทียงแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรืเป็นทุกข์พระเจ้าข้าขันเป็นทุกาาขาา์แล้วสม่มายืนยันว่าเล่าว่าเขาอาซัดเราพวกคนเต็มภูมิที่ได้เข้าใส่กันอยนโมของจักปล่อยจักว่างมันสียยืนยันได้บ่แล้วยืนยันบ่ได้แล้วพระเจ้าข่า รงยกลูกได้อดีตลูกได้อนาคตลูกในปัจจุบันลูกในที่ใกล้ลูกในที่ใกล้ลูกหยาบลูกละเอียดลูกประนีดลูกภายในลูกภายในคือตัวของเราลูกภายในคือตัวอื่นชาติอื่น เกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกสลายเธอทั้งหลายจงหนูตามเป็นจริงเถิดเนตังมะมาเนโซหามัสมีนเนโซอัตตาติว่าเนตังยะถาผู้ต่างสัมมปัญญายะสัพพังเป็นแต่สักว่าลูกก็ื่อว่ามันสัดว่มันบุคคล ท้าผู้ตายายนะครับชะนั่งจงหลุดตามเป็นจริงเน้อจงว่างจงปลอยตามเป็นจริงที่เคยว่าเป็นเล่าเป็นเขาเป็นซาเป็นบุคคลมาแล้วเน่จะพูดกับหลกกับท่องสารเขาก็พูดที่ซื้ออยาจะพูดจนติดจะเข้าใจว่าถือของเล่าเอาจริงๆริงจนจังพูดเพราะเขาใจข้อไม้ลูกอันแน่หลวงให้ท่องสารที่ซื้อเพื่อบอกให้ติดอยู่ ขันแจวที่ก็เลยเข้าใจเม็ดนี่เรียกว่าอุบายวิธีเทศยอนถามอุบายวิธีเทศครูก็อุปมาคือเทศภาวกรลินังก้าวมาแล้วนะ่ะอุบายภาวานาเทศอุบายเทศปอบโยนมีอีกใหม่หนึ่งพระอาร้นโศกเสาโซก่า ว่าพ่อองค์เก่าพ่อนี้พ่านเล่นักว่าพ่อปวงอายุสั้นชานแหล่ะกอดสลับเห็ดสลับเห็ดเขาเห็ด้ดวยพุงจะเห็ดเป็นหู ก, กาตุนกาหยัง่งสล่านทศกูบอกรู้ยังไงไม่รู้ว่ากอดสลักเห็ดจับสลักเห็ดหากอะไรจะสะ ย, ยู่ว่แท้พ่อองค์เลียงฮะ เธอโยที่ไหนพระอนุนเพราะมี่ผู้อื่นเข่าเฝาแท่นเนี่ยพระอุปวานะเพราะมี่ขียะมันเข่าอแทะสมัยน่ะเห็นพระอนุนโุกเสาโูกาลายพระอนุนโศกเสาเราก็เป็นได้แะ่เพียงพระสวัดาบันท่านี้มูคนสังเวชกนันไปหมดแล้ว โอ้เราก็ยังข้ามยังแช้นนี้พระองค์ตรนนี้มผ า, า, านไปชนอสัตว์อสังเวชในหนังตาไลหน้าตาไรอันจัดเข่าในปี ท, าทาีนะฮะคาธรรมาเพราะมีความโศกเศร้านำ้ำมักผลนีผ่านย่านบุตรก็เลยจัดเป็นกา마พัจรภูศนแต่ถึ ง, ถงโลกุตตรภุศนเนี่ยปิดไปเที่ยงพุท รด บ, บันที่สื่อพระองค์จึงว่าจงหาพระอานุนเข้ามาเฝาเราจะทัรคนเดียวนี้พระอานุนพระก็ได้จะจามพระอานุนมาพระองค์บอกว่าให้เขาเฝาเดี๋ยวนี้นี่คือละด่วน พระอนุนบอกเลยเข้ามามานางกาบบายเอกัมมันตังนิชินโนโคอีกกัมมันตังนิสิทธิน์นางในที่ขวนแห่งตนแล้วอ น, นุนเลยโตยับไปสุขเสาโซกาเนอ้อเรียก ว, ว่าค้อปอบยนทำไม่ได้อันไหนโตเป็นผู้จำได้หลายกโกมูทั้งแม่โตเป็นพระสวัดิวันก็ดี ตัวก็เป็นพระผู้สูตรจำหลาหลายโกมูแล้วแล้วเล่าจะถัาโคตรกับว่มีในลี่รับเอียงกับตวตลอดถึงพิษุสมานีานามุบาชกูบาศิษาเม้าไมชีนาพิษุนีนางิชามนานาสานี่แต่ละพวกลวพวกละพวก ล, พว ก, ลพวกฝ่าเยเพศหญิงกาดีฝ่ายเพศคลุ่บาทก็ดี ควายเผ็ดนั่งชิคาม ห, หน้าก็ดีชมาเ น, นลี่ก็ดีชิซุนี่ก็ดีเผ็สชมเน่นธรรมดาก็ดีเผ็ดึกงคุก็ดีเผ็ดคาวาสก็ดีท่านแล้วนั่นครูที่ยังถึงธรรมก็มีโพโซ ด, ดาบัณชสกทาค้ามีอาณาค้ามีอรหันตุทุกจ้พวกเราดิ บอมีคำซีรีรับในท่าคตรทาคตาคเพลงออกมาอันใดบริบูรณ์เมื่อทั้งอัฐาพ ย, ายัญชนะสิ่งเทิงบริสธิ์หวังอภ่างบอมเอนนาทีโมลมุโมลานมมพิกษูสามเนิพิกษุนีสา ม, มเนิมมเนลีชิคามา น, น, น่าพิกุนีพิกุโนะตลอดทั้งอบอสกวาสิกาสิมาวังอั น, นใดในเฮาอีก เมื่อกระวมีได้อนุนเนยเพราะบริสบังเอาออกหมดแล้วพวกปฏิที่วัดก็ได้สําเร็จมรรคผลนี่พลานเป็นพยานไปสุมักสุผลก็ด่าบันก็มีทั้งเพิดขาวเพิเหลืองแล้วก็ท้าข้ามีอาน่าข้ามีอรหันต์คือกันพูว่าฮันไดกระหังมี่ยุบจริงยุบอันนี้บริบูรณ์มา้ล่ะโมมี่อนนั้นที่รับ เช่นอาโนนมาขอพ อ, อนเท่าว่าหประเทศรับหลังที่ใดขอให้พากเราให้ฟังเราก็ได้เราให้ฟังวัดแล้วสงสัยยานใดขอให้ถามด้ทุกเมืองล่าก็เอาโนโลมนํำแล้วเมื่อส่วนอาโนนโตจะไปสงสัยนาะและ้วโตปฏิบัติเท่ามากนี่ นับจะสงสมุดให้ตปฏิบัติตัววัดปฏิบัติกับเฮาเพื่อวายจากได้ละได้ยดได้ขีว่อนอันประนีตได้วินทาบาตอันประีตได้ละได้ยดได้สังส น, นตัวปฏิบัติกับเฮาเป็นธรรมพอ่อแห่งแลวอนุนเลยโตได้สามกุศลผลบุญเนื่อทางโล ก, กุตตะละได้ลโล ก, กุตยืนยะสมควรเย่ย ตยึดไปสุกเสาโซกาที่ทั้งวิญญาณทอใหสงบเสียโตไปอีกสามเดือนัตก็จบได้สำเร็จพระอรหันต์องค์หนึ่งในอนุนัยโตให้สงบรัองสงและสศกเสาเสียใจเลวยโตปฏิบัติเข้ามากวังหลับวางงด หลวงอามิตรภ่หนอกเียงเป็นธรรมาเนี่ยนับแต่โตปฏิบัติเข่ามาตามความปรารถาของโตจะสักพระเจ้าพรญานาที่ปังกรหลังจะสักพอ พ, พุทธเจ้าที่ปังโกออนุมัทศีปราเถาเป็นพุทธอุปถา เดียรนี่ก็สมประสงค์ของท่านเห่านี้คือท้าุปทานก็ได้แต่ยังจะมาผลสั่นสูงแล้วขั้งสมบัติภาเวไนยพิโลกก็ดีพระสูตรจันทพิโลกก็ดีอันใดก็ดีกระท่านก็เป็นขัง่งขั้งพระสัทธรรมอันหนึ่งเนี่ยเป็นทงหูสูตรเพืวหนึ่งแล้ว ต้ยิ่ไปตบใจยิ่ไปเสียใจสมมตเสียมีเรียกว่าอุบายปอะโยชน์คานั้นก็เรียกสมกลงเรียกย็นอุบายตอหลอดตอขานนี่อีกเทศนาะ นั่งกินจีไปหาว่าพราะองค์เก่าเรีนมากตอนหนาประสมสนในเวลาเทศนาอยู่นั่งกินจีนั่นถือพวกเดือละทีจา้า นั่นโนบายเล็กแลเป็นยังไี้พวกเหล่าทีจังจั่เพราะว่าแต่สมณะโคตรบังเกิดขึ้นมานี่มีหมคขนลาสานิบุตรสาบกเต็มบริบุรณ์แล้วแล้วหลาบของห้ากกะ น, นับมือลงมือจมลงมือพูดดับถือลือหาอึดอึดอยากยาก นางกินจีนี่เป็นคนสวยเธงเป็นพุทธมรษส์ห้องอีกดทวยห้อจงจ้งจ้างนางกินจีนี่ไปทํำกุนอบายหาว่าพุทธเจ้าหลินเริ่มแกรกกะว่างแผนว่าพาอคำคำ พะคำคหมื่หมืดแล้วพอถึงลาวสมมุิว่าน่ากินจี๊กอมาจะหัวควงหอยคอคนเลยมาถามคนมาบอกตัวมาได้ใสโอ้ผเมื่อได้สมรับโคดมาแล้วอยู่นันน่นคนคนก็มาลงหมืดนแต่หาคนเนีน่ยนมุ่เสามากออกว่าจะงหัวควอนอีกเด้อ คนมาพอว่าตัวไม่ใช่เรื่องของเล้งก็นอนในลำพังหมดแล้วสมรัมกโคดเห็ดเยอะจังสันนนสน่นก่อมากโดนตะ่สองเดือนสามเดือนคนละ่ะอันต่างขั้นคนละไงยายามันหกเดือนเก็ดเดือนเห็ดเหลี่ยมต่างๆเห็ดแบบนันแหละยมากเยู่มากนี่ก็ ผมควรทานะ่ยจะพัดว่างแผนรงกับกลุ่มคามันที่ออกละคะนะคนมีลูกเหมืองด่านเพืประเทศใ น, นเมื่อสาวัตถีนั่นนงกับเทศไม้คอหล่อแข่ลยล่ตัดเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอนให้มันงอน่้มังอนึทองได้เวลาผูกผูกทอนติดต่อ ทอนชำโจกนี่ยเอา้จัรือสั่งคนอ่นเอาไจับฝ่าถูกเสียให้ทงปุ่มเหลื่อาลมคอยเฮ็ดมาจะโรนแล้วอะไรคอยทำใหาออกง่ายออกง่ายออกง่ายออกเหมือนง่ายเต็มสารอะไรยังมีกันคน้นเฮ้ายังอีกจ็ดเดือน เพิ่งเดือดแต่สิออกละมากคนง่ามแน่นั่ง้าสงบเสงี่ยมมากทาองปุ่มๆแต่ว่าคนทั้งหลา ย, ลายลาทั้งสงศัยแ่ะสงสัยถึงต่นา่งว่าแขวนได้ทีแหลกเดียวผู้เสือเส้อกัเสื้อกว่าแล้วไม่ร้ายแหละวอสามารถทิศนี้ยังมาให้นมเสือ้อผู้ใดเห็นนำเฮ้านั่งเอ้ยกว่ามีจะเฮ้าเท่าไรที่เปลี่ยนกันย่านกั น, นถ้าเห็นนาเฮ้า นั่งหาความวาใส่เห่านังกับหงจักยูเดียร์เล่ตาตะท้าคตถือนา่งมาตูตทะท้าคตกับหงจักดูเดียวนี่ไม่เคยเป็นพยานมูอเห่าใดหอกให้จเหาสองคนเทา่ากกนั้นงจักว่าใชเยาะนแล้วเว้ยห่อนหอด พ, พยินขึ้นหลายวัน้นยินนิมิตเป็นนู้นหน่อยข้านเขามา คนทัน้งหลายบงจับบเห็นเกิดเป็นนูนหน่อยข้าขามาหายตัวมาก้านขมามากัดเสือมันถูกไม่พรรอรหลอกเลยเพ่ออินเลยบรรดานให้นังลุกน้างลลุกเกิดไม่ตกปงเปงปงเปิงปงเ ป, ปงลองจากท่องผู้ลูกขี่นีซ้นี่้ำได้ไม่รู้ละีพอผูกเป็นสายสคูอโกปัดบางแง่ น, นี่ก็ขจั ที่ใ ส, ส่สวยนี่ก็ไปจับเขียนออกนะไม่ทุน่นคนทั้งหลายก็บู๊ยกิเลสขึ้นท่านเนี่ยพวกฟัองเทศชื่ออะไรบางคนโลกข้นทีบก็ไ ป, ปนั่งทีบ น, นั่งพระอ ง, งอะะค์เก่ายัยงหาเนี่ยตัวเห็ุนางกรรมของนางไม่มีอะไรพระตะขาคดบ่ใดๆจะเคียงนะเล่าตะขาคดเถียงเราก็บอกที่นีเถียงให้เผะให้ชนะอย่างนเพื่อให้ระชาต้านเห็นชื่อ เทียงนางก็ดีบอด่อใดนึกว่าตถาคตแม่นบอเทียงตถาคตกับบอถึกปฏิถถถเเพ่นนั่งตถาคตท่านพูดไปซื่ซอห่ายคนทางหลายฟังโมหันต์ของตถาคตจะสือออกกะ่อเลาะไปเมื่อตถาคตที่นั่งนิ่งอยู่ตถาคตแังขึ้นจริงบัง น, นี้จะขึ้จริงตอนไหนไปก็าบอกันโดนเาเป็นสู่ เรียกว่าเทศเทศแบบตลอดก่อเทียงเทศแบบแสดงยมกเขาว่าเสือหลายเลยแสดงยมกพวกคู่ทั้งหกมาอวดมาอ่างต่อพระองค์เก่าได้ยินไปทัวแผ่นฝาแผ่นดินมาเล่าเป็นผูเด็ดผูเดียวผูเด่นกว่าจะทาขดไปอีกมอพุที่เก่าไปอีกเลยแสดงยมุก เลยทีมาประสันขันแข่งเนืองดิดเดืองดิดกันนัดวันฝนเวลากันพระองค์เจ้าก็สุ้พระองค์เจ้ามังมังพระองค์เจ้าคนก้อนอยู่พระองค์เจ้าคนก้อนเลยอพ่อซาวกหลายขึ้นมาเลยพระองค์เจ้าก้นก้อนต้องมีกานเสด็จยมกอันนี้มันกับบรรดาเกิดขึ้นมา เป็นตามแถวคนงอกจักมัคคีโคสายอาิตาคำพ้นสนไทรคู่คู่ทั้งหกซื้อว่วาจะไมเหลือหือไอ่ะ สัญญาข้าพ่อองค์ว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นวันถนนเดือนท่านจักแสดงเงมกแข่งกันก้าพเจ้าท้ากดพระองค์เจ้าก็เออเรารู้ดีแล้วอ๋อถึงวันนัดมักวันไหนนัดเออกพอถึงวันนัดเดือนนัดกระป๋อยแล้วคนบ่จักเธอไดโกรธบ่จักเธอได้ตื่นหรอไปเบิ่ง แล้วก็พวกถือปริภาษกก็ว่าปริภาษกศิษณะพวกถือทั้งพระองค์ก็ว่าทั้งพระองค์ศิษณะเอ้ยของซ้ำหนัก <Okay. S 1> พระองค์ดูดีแล้วคร <Okay. S 1> ูเขาอนบังในนิสเขาแต่ยักไปเบิ้ลเขาคึวนาทเสีย ว, ว่าพระองค์สิถือแพรอันได้จกักแนวเพราะพระองค์ไม่ได้เห็ุด้วยกิเลส okay. พระ อ, องค์พ่นไปจากกี้เลเ okay. กแล้วเมืา่อทาท่าสิหอแฆงพระ อ, องคนองนนนน์นีนออ่นเต็มเเบี่ยดเบี่ยดแท้ตอนแห้งหลับพระองค์เก่าหมดแห้งคืนนี่นงกินจีบวิทนั่งกินจีบคืนแห้งอีกละหละับพระหลับพที่สูงแห้งคืนแห้ง กระนับลูกซิบเลยขันห้าสีหอนี่มู่ตัวดึงห้อยเนี่ยขอังช่ำอาจารย์เลยจะไปวัดต้าเสียสมองมูตัวธรรท่าดึงห้อยเน่ยหลักหลูกซีบ สิดกระทั่งละหารอยหารอยมันหกคู่หกคู่คู่ละหารอยห่าลอยมาลูิล้เจ้าหถามช0ิบเลยนีคนถามพันกว่าคุณบอกวายเจ้าน่วมหอกนั่งอีก คนจะหลาจะโกรธคุณแล้วทั้งพระายพ อ, องคเจา้าแ่บึงไม่สนามใหญ่พระองค์แสดงนิสเดียงดีด ส, ดงดดสาละพัดที่นี่พระทั้งหลายสุ่มพอบินโทษสุ่มนั่งสิกขามาหน้าสุ่มนั่งสมะ เ, เนินลีซุ่มสมะเนินุ่มมีฤทธิ์มีเดชเป็นพระละหันจะกลับอาสาตามพระองค์เจา้า ว่าให้อเ อ, อากเ้าได้ยา้องซําเลยบอกว่ามันแนวมันมันจิจของพวกมูด้วยข้าวเนี่ยมันิตของพวกลูกพวกหลานพวกผ้พวกนี่นกิจของเหามันเป็นมาเนี่นจะทำพวกเจ้าก่อนๆตัวธุระอันนี้มันเป็นธุระของเหาคับกว่าขขขขมันเป็นธุระของพวกอืน่นมันให้ลูกให้เต่าลูกซีดลูกขาเฮ็ดกับอะไรอย่ี้แต่มันทำเม็นธุระของเหงา่าไงมันธุระ ของพวกงูใช่แล้วหรือว่ไปใส่ธระขอูช่แล้วามาทําท่ทาทหัวเขิอ ล, ลูกศิ น, นึไว้ของพวกานย่าทเ็บนะเสียเวลาหัวท่าทาที่ดำดิมท่าทาทิ่ใจนั่งสารพัดลูกศิษยนึ่งไวของถนัอาจารย์เอ้ยเพราะว่า เจะไปเห็ดเจะไปเห็ดเจ้าไปลาออกวะพจะจงองเจ้าหอ่อขึ้นไมเทีงอากาศคนจ้าระพดพรกองเจ้าสิเห็ดเพ่งเตโชกกะสินออกจากหูดังเพ่งอาโปกะสินออกจากหู นามไหลออกจากหูทูดูทูดูไฟไล่ออกจากดังทูทูดู ท, ท, ทูในสะ ก, กลละกายเพี้ยนไปสารพัดเพ่งดินเพ่ง น, น้ำเพ่งไฟเพ่งลมเพ่งพระอาทิตย์ห้อยมืดให้แก่ mm hmm. ข้ามดาวข้ามะเวินให้เขาเห็นสารพัดหอยแปรพประกาศพระองค์เจา้า ปัวปูกู ป, ปงวงใช้ฝ่ามือเป็นหน่วยในมือนั่นหักลงในมือนั่นซุกในมือนั่นพระองค์เก่าเฮ็ดไปเฮ็ดละอ่อนแล้วเนี่ยไปมากพวกนั่นเลือใจหลาย ปรกระโดดน้ามตายก็มีมากเลือดตายก็มีพกกูทั้งหกมึงลาบต้องงดพระองค์เจ้าพวกคนทั้งหลายมาตัดสินพวกนั้นทํบาบ่ได้กินตะเพียงนัดลูกซิดไหวซือหายทำทาผลของกรรมนั้นมันเดือดหอนร้ายมันเลยบันดาลในพวกนั้นหัเลือดตายจด กระโดดนำตายกับพันธพวเห็ดบ้าได้แล้วบริษัทธ์บริว่านพวกอัะนะนาหม่อมนี่พวกนีก้ใส่โย่นี่ปัญหาจอดเขามาวา พระองค์เจ้ากองฮงจักว่าเขาสิบวลงผนอยู่ตัวคู่ทั้งหกผนไปเห็นหนังมันเป็นทรรเนียของพระองค์เจ้าองค์กรๆคอหนึ่งคอหนึ่งอีกพระองค์เจ้าก็าวางเอาดอกคู่ทั้งหกตลอดบริษัทบริวารเขาวังเอาพวกเป็นชมาทิฐีพียงให้ถึง โซดาสักษท่าค่าอนาค่ายังเงข่้งค้นคนไหนมาค้นในผ่านกระหลในค้าวนะรถใจสังเวชเดี่ยวว่าเถีบเดียงพย ม, มกถ้ามข้ามสังสอนของพระองค์เจ้าะเป็นนิยานีกระทํานำสัตว์ทั้งหลายออก อยกว่าตาสงสารได้ตามสติกําลังของผู้ประพฤติหน่อยและประพฤติมากประพฤติมากด้วยประพฤติทูกด้วยประพฤติน่อยด้วยประพฤติทุกด้วยก็ได้ผลตามสมค่าหน่อยประพฤติหน่อยกับประพฤติบวถืกประพฤติมากกับประพฤติบวถึกมันจะเป็นโมฆะโมฆะคือผลของกรรมที่ประพฤติบวถือกัน มันเป็นโมน ข, ขักคือผลของกรรมที่ประพฤติถธธึกเมื่อเป็นนงสันคำสอนใดๆในโลกทั้งอดีตทั้งโลกทั้งอนาคตโล ก, โล ก, โลกปัจจุบันบอทอคำสอนของพระพุทธเจ้าทาั้งหลายซึ่งเป็นคำสอนที่บรบูรบวเนาวที่รลาดสมัย ที่เป่าเฟอ่อในตลาดโลกหรือตลาดถ้ำบุคคลถือว่าเฟอ่อมันกับถึงเรื่องของบุคคลผู้ถือว่าเฟอ่ออุปมาคือเกือเก็บยามไหนก็เข้มยามหนักขนลิ่นของผู้นั่นบวิบัติลิ่นบริบัติอุปมาคือบุคคลผู้มันยังไม่บาปหลายมันบ่สามารถที่ยังถึงถ้ำกับยังน้า อันนี้กระสัตะโกตโยพระพุทธเจ้ามากกลัวลอยโกดซิมาเนี่ยอนาคตก็มากกลัวลอยโกดท่านดินสูงแปดสิบสองพุทธท่านดอนหนึ่งจังมีพระพุทธเจ้ามากกว่าจริงแต่ขังยังมากกลัวลอยโกดที่ล่วงไปแล้วก็เหมือนกันที่ซิมาเนี่ยอนาคตก็เหมือนกันเป็นถ้าอันเดียวกันมัด บัวด้ล่างกฎหมายเป็นมรรคผลในพรานอันเดียวกันบดพระพุทธเจ้าตรัสสรุป ท, ทุกๆพระองค์ก็ต้องมาสแสดงธรรมจารกรอันนัตอตย์อันเดียวกันสิ้นหาสิ้นแปดสิ้นทั้งห่อยยิ้กข์อันเดียวกันข้อเว้นอันเดียวกันขอปฏิบัติอันเดียวกัน คิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราเนี่ยสร้างบา ร, รมีหน่อยมากตั้งสูงต่างกันเท่านั้นเพราะผู้หนึ่งปรารถนาวิริยอาทิก ะ, ะผู้หนึ่งปรารถนาปัญญาธิก ะ, ะผู้หนึ่งปัรถนาสัตถาธิกะปัญญาธิกะกับว่าได้สร้างบา ร, รมีร้ายสัตถาธาทิกะร้ายก็กันวิริยอาทิกะสิภสงไข่ออกปากแล้วยังสำเร็จพระองค์เจ้าสิสงไข่รับแสนมหากรัป จสำเร็จออกปากแล้วปัญญาทิกเก่งทั้งปัญญาหนักทั้งปัญญาศรัทธาทิกหนักทั้งความเสื่อปฏิปทาวิริยะทยกหนักทั้งเพียงรัทธาธิกะปัญญาิกาเป็นในใิสัยโทสะจริต พระอรหันตุเาททักเปก็นโทษสาจริตแต่เอาคนเป็นพระอรหันต์แลมันกับบุญนีหละหไม้ก้มาก่อนบุษันเป็ยนรปฏิปทายู่ัศธาทิกะราขาจริตปัญญากจึงทัศสะดุ้เร็วุข์เขาที่ทวัตตะโเร็วพระพุทธเจ้าของเฮาพระอรหันต์ทัธาทิกะมี วิริยธิกะมีปัญญาธิกะมีมันกัดสาวกก่อนพวกทุกข์ปัาเธนาทุกข์ก ะ, ะกูปัญญาธิกะเดี๋ยวเรื่องนี้ปัฒนาสามส่วนสมถะส่วนหนึ่งจะทามีความหมายอันเดียวกันที่นี่เหตุเช่นไหนเราจึงมาเหลื่อมใสในปฏิบัติห้าจึงไหนมาปฏิบัติ ก็เพราะเหตุว่าเห่านี่ ง่ายแต่พอเท้าได้แล้วล่ะก็คนหนาแขกกับพ่อเหตุ่าเฮานี่วัฒนาของมูเฮาทั้งหลายเคยได้ส้างบาลมี่ส่วนนี่มาแล้วมูเฮาจึงได้มาบรรดาเลื่อมใสเข้ามาในทางปฏิบัติ กำและผลของกำจะได้พบกอนกอนจึงน้ำหิวน้ำสู้น้ำทรงเฮาหมูเฮาจึงได้เหลื่อมใสในทางปฏิบัติจึงได้เขามาพอมองเห็นหุนทางแล้วบางเล็กน้อยให้ทราบเถิดว่า บ้านเมื่อเป็นจะล่าจนสมัยถึงเพียงนี้ถึงมีวัตถุนิยมเป็นเครื่องหลอกหลอกอันนี้อันนั้นมีเครื่องใส่เครื่องซ้อยต่างๆสมัยจะลวดสมัยดาวเทียมแม่ด่านคิตใจของคนถ้าเฮืนจากศิลธรรมฮอลลูดีอยู่แล้วส่วนวัตถุนิยม น, นมีหลายจะหลายต่างอึดอยู่เพราะมันแพ่เพราะเงินเพราะเงินเฟ้อ นั่นเฝือกะหายากุถึงแม้ยังนั่นมูเ้ายัางไหนเล็ดรลอดเขามาปฏิบัตบิตามสติกาลังของไทยของมันอยู่ก็เรียกว่าปุ๊เพ่จักรตาปุญญาตามุกเ้าบุคค้นเข้าในทัางค้นดีไว้ในปางก่อนมาแล้วนิทยาปัจจโยเป็นปัจจัยแห่งนิสัยในทา้งดีมาแล้ว ปุเรชาตาปัจยโยต่ปุเรสานได้ส้่งปัจจัยความดีมาแล้วปัจชาชาตาปัจยโยได้ปัจฉาชาในปัจจุบันพอจงแหลมาส้างต่อของภัยของมัน ผู้เข้ามาบวดในพระพุทสศตส์นะแล้วปัดใจซีอาศัยกิ่นน้ำพ่นควงเหลี่ยงซีวิตเหเนื่องดุวยห้องพ่นเหตุจึงสัมถะสะถ้ำสิ ป, ปการจึงสอนให้มู่ห้อพี่เจ้านางเนือง ว่ามันทุกวันทุกวันนืองเนืองคำว่านึองเนืองมอมันยิงกูทุกวั น, น, น, าา น, น, น, วนทุกวันแล้วมีกบแก่เก็บตายพี่โยกพัดถา้าทำดีๆท่้นช่วได้ช่วยหรอกอันให้พี่จะน่าทุกวันทุกวัน <c oughs> อันนี้พี่จะน่าเนืองในถ้าทำรรสิบบัดนีแล้วมีเพจตัางจากเครื่องฮัดแล้ว อาการกิริยะ ใ, ใดๆของสามะัะเราต้องทําอาการคิริยะ น, นั้นสองบรรพิตที่จะหน้านเนืองเนืองว่าอาการกายวหวจ่า ย, ายอย่างอื่นสองบ พ, พิตพิชิตที่จะหน้าเนเนืองว่า ควมเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อืน่นเราควบท่าตัวให้เขาเลี้ยงง่ายนี่วท่าตัวเขาเลี้ยงยากสามบัณฑิตพี่ก็ น, น่านึ่งเนื่องว่าอาการกายว่าจ่ายอย่างอื่นที่เฮาสิทำให้ดีไกลกว่านี้ ยังมิรู้อีกบ่ามันเพียงเท่านี้ซีบัรพชิตพี่เจนาเนืนื่น อ, งองว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยสินใด ห, หรือไม่สิ่งไีนมันบวชถือข้อปติเตียนเท่าไรอยู่ขอหาบัรพชิตพี่เจนาเนื่นเงเนื่องว่าผู้ลูกใครข่วนแหละติเตียนเราได้โดยสินหรือไม่เขาจักข้อมหมายขอวัดปฏิบัติของพระข้าเน่าเห็ดบวถือ เขาก็ตีเสียงแล้วแหละหอกเลย่ยบรรพิตพี่แก่น่ า, าเนื่องว่าเราจะตองพัดภาคจากของหลักของข้อใจทั้งนั้นเจ็ดบรรพิดพึ่งพี่แก่น้ า, าเนื่องว่าเราทําดีก็จักได้ดีเราทําซัวก็วจกได้ซัว ใบบันคิดพี่ก็ น, น่าเนืองว่าเง่นขึ้นลวงปล่อยวงปล่อยบัดนี่เราทำอะไรอยู่อันนี้เพื่อเตือนให้ ล, ลึกถึงสินถึงกรรมขอวัดปฏิบัติท่งโท่อันนี้บให้เลืเ่องจืเนี่ยมันได้ ห, าห้าอันดับการรับยุตาธรรเจ้าประกอบยิทธุระในกาลเทศะ 9บันพิติครึ่งพิแกนานั้งเมืองว่าเล่ายินดีในเสนาสนะอันส ง, งัดหรือหม่ก็ต้องยินดีสิบบันพิแกพิบันพิธิพิแนานั้งเมืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ที่จะทําให้เราเป็นผู้ไม่เก้อโขนในเวลาเพื่อนมันไปคิดถามในการแฝงคันเท้าหักแต่ขอนึ่งมากจนถึงขอสิบปฏิบัติมากเพื่อนมันจะคิดมาถามรดสากของสมาธิสมาบัติรดสากของธรรมะรดสากของการวิเว่นห้าก็จะตอบเขาได้เมื่อน้อยก็ต้องหลายแล้วก็บอกเกือบ่อเขินกามหน้าปฏิบัติี่เห็นยังเน่มาถามห้าก็บอกข้า อย่าเห็นกองทุกไม่วัตรสงสารแล้วก็ บ, บอกเขามาอย่างสี่มันที่บอเพิ่มโลกเพิ่มกูเพิ่มหลง ม, ม, มันมีเนี่ยทอดม่านดัดแผลแก่ของบ่ได้ว่างไว้กับตามก็เยิ่มขี้มากากันกล้วยพอตอบไปจังไหนกับบ้าเขาห้องเด้พี่เจ้านี่ <c oughs> ขันเ้าบวชเบกกดผ้านุ่งแล้ว นี้จากพอจากเมย์จากเพจากหนองมาแล้วเจตนาของเฮาสิมปาปาถนาเที่ยงแต่วาจักปฏิบัติพอเป็นนิสัยเจตนาอนนั่นกระบาดถึกบสมทานกระเพทของเฮาผู้บวชขามาที่แรกลงมือบวชแล้วพอพุทธเจ้า <c oughs> สุงสรรเสริญ่าบวชเพื่อทำายกิเลสจึงสมฐานะของพิษุสัมเณีนผูบวชว่ามันบวชแก่บ้าว่ามันบวชแก่บนว่ามันบวชเป็นทิศพ่อให้ได้เสียงบวชเป็นเสียงพ่อได้ใช้ซื่อ ที่นี่ทุกแกทุกเก็บทุกตายทุกโลภทุกโกทุกหลงภยัภยๆก็เห็นเต็มตาภายัยเมื่อต้องอธิบายก่อดัดแต่ว่าสิเอามากคำหนึ่งหรือไม่คำหนึ่งนั่นขืนยกับเจราลญรายของบคุคคลขันผูดด้ใดคำหนึ่งเนื่องนิด เรื่องแก้เก็บตายมันเป็นทุกข์กว่าดีเรื่องโลกรอดลงมันเป็นเวน่นเป็นไพ่ในวัฏฏะทังสารกว่าดีแต่ก็เรียกว่าภาะวานาได้คือกันสีร่วมหรือบวร่วมก็ไม่เป็นปัญหาร่วมคําว่าร่วมก็หมายความวันวสงสัยเรียกว่าร่วมมันเห็นจริงตามเป็นจริงก็เรียกว่ามันร่วมร่วมในปัญญาอันนี้บ่มันร่วมในสมาธิ ยล้วนร่วมในสมาธินั่นมันมีหลายประเภทเหตุฉไนบวชขมาพนจนวาเกสาโลมานาคาทันตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาเกสาเอาละซ้ำเนีเ่ยออกละเวลามันหน่อย ขันบ่บอกอันนี้ให้เป็นเครื่องพี่เจ้หน้าแล้วบุคคลผู้นักในลาภพระจริตมันบ่มีเครื่องบันบ่ ม, นมีเครื่องบันทอนเพราะเวลาบวชนี่มันมีน้อยอยู่น้ำอาจารย์องค์ไหนหรื อ, อยุกับเพ้าอุปชาก็ดีกต่จะค่อยเหี่ยนไปมีเวลาหน่อยบอกสำ น, นัญเพราะแล้ว ก็เลยบอกให้เหลือใช้ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เบื้องต้นคุณของพุทธเจ้ามีอย่างสั่งเป็นทั้งสั่งคุณของพระธรรมมีอย่างสั่นเป็นทังสั่งคุณพระสงฆ์มีอย่งสั่นเป็นทั้งสั่งสืบมากพระธรรมรักษาผู้ปฏิบัติบวให้ตกไปในที่สัวพระพุทธเจ้ารูดีรู้สอบและ๋ยวพวกองเหลวสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติบวให้ตกไปในที่สัวตามที่ปฏิบัติหน่อยได้มากพระสงฆ์ปฏิบัติต่างขั้มชังสองของพุทธเจ้าเหลวสอนผู้อื่น แต่ถ้าทำด้วยการของคนช่วงสั่งสอนมีสามอย่างช่วงสังสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังหรูยิงเห็นจริงในท่านทุกคนหุกคนเห็นช่งสั่งสอนเพื่อผู้ฟังตองตามเห็นจริงได้ช่งสั่งสอนเป็นอาธิการคือผู้ฟังและผู้ปฏิบัติตามยอมได้รับประโยชน์แก้ควอมปฏิบัติหน่อยละมั้ <c oughs> แลวเขามาบอ ก, กมาถามทั้งหากรขมาถานทั้งหานี่เป็นยังไงจึงบอกก่อนเพราะบรรดามานุษย์ทั้งหลายมันนักในาาราฆะอยู่งเลี้ยล า, าค่าข่มกำนัดลักไข่น้อการ ม, มาร่ำลมจนถึงกับเสียกัสมนี่เป็นเป็นกา ม, มาร่ำล่ย่างนัก เช่นทัพ์แต่และตัวละตั ว, ละ ต, วละตัวติดคณะสันดานมาบุยไฟซ้อนให้บุ้ยไฟหูให้รักเต่นเมี่ยงมันขี่กันต่อนมอดเติดเนีเสียบสมกันเพราะถือว่าค้อมสัมผัสอันนี้มันเป็นสุขของสัตว์ทั้งหลายโหทะพะอันนี้จัดเขาในโหทะพะท่าเพราะสิ่นต่อสิ่นทูกันนังต่อหนังถูกัน ผู้นี่ทว่านนักทว่านเบาเลยกำนับทรัพทั้งหลายมันนักในอันนี้ถ้าบอบอกอันนี้ก่อนบางที่มันไปเสีบแ ม, ม่ทุนงัวคล้วยกว็ดีหรือเป็ดไก่หรือลักแล่เจ้าของก็ดีหรือช่องปากผู้อื่นก็ดีมันก็สามารถเป็นอาบัตนะิหนักอาจารย์ผู้วชิรัตบอสอนตาจตากรรมฐานก่อนมันจะไปล่วงอาบัติก่อน ยือบางที่ไปทำอ่าเอาลซูกี้ให้ขวดคณะว่ า, วากลวงมกำลัดส่วหนี้มันลดหน่อยลงราคาสมวนนี้มันกลับบลกวนเฮ้ยจิงสันจิงว่าพี่แกนหน้าผมมันมีลักษณะจังใดมันต่างยือจงังไดนอ่อทังก่างมันทังป่ายมันกกมันฟังลงไป ประมาณสองมินหรือสามมินแล้วมันฟังลงไปในเนื้อในหนังที่ยุกกะโหลกศีส ะ, ะเนื้องเต็มไปด้วยมุกพูดเป็นอาหารของมันแล้วถ้าปล่ยมันเนีมแหลมคือขั้นซัง ท, ทั้งกลางสีปุง่งักหน่อยเหมือนกบฝังกัเป็นสีเลี่ ย, ยมีสีสันวันหนักดำผมหอนออกเดียวผมนี่หันมาตกใส่ถวยปนถวยแกงก็งกดีผมของตู่ก็ดีผมของเพลนก็ดีก็นึกขี้เดียดคี้ไล่เม่ยขนก็คือกันเล็บก็คือกันควันก็คือกัน ขนกับมีอยู่ทั่วทั้งสันทางกายมหาแต่ว่าให้จับอันเดียวคิงนิง่งยูดอกสืบรรยายไปไม่แยบคายแต่จได้อยู่เพราะมันสืบบรทอนราขาได้จับอันเดียวคิงหนิงบวชิการมั่นกับเป็นเพียงนถ้ามิคิดอยู่สือบวสามารถสหาจากราคะได้ถ้าไม่คิดอยู่สืบาสาาา ถ, ถ้าไม่คิดหนิงสืบอพ่อสิบันรทอนรกคะได้ พอบอธิบายแยกค่ายให้ท่านก็คว้มหลงเจ้าของดิวางท่นเถอะเรียกว่มันขาดปัญญาเรียกว่าสามารถหัวต่อดิอน่ะผิดนักมันลงทับไปงสิกัมิลิมิตอะนอันนี้มากกับเลิเปอเปือไปละอน่ะเสียงฮงหงหเห็นเทวบุเทาวดามากอดีหอหัวเนินอากาศปกไปแถวนึงสะอน่ะแต่ว่ากังให้เห็นคุนคือกนร่ะก็มีประโยชน์คือกันแต่หองว่าบ่มีประโยชน์พอที่จะแผลงได้ เห็นควมจิงสันนิอันนี้มันมีปัญญาควบอันนี้พี่แกหน้าตาแบบเลยเพรมันเทียบเหตุเทียบผลให้แยบไข่เฉพาะเฉ้างเด้ควมหลงมันที่มันที่ปุงที่แตงขึ้นยากเน่ท่นพี่หน้าหยายยาไข่ล่ะควบหลงเขาจะคิสว่ามันสวยมังามมันที่ปุงแตงขึ้นเนี่นก็คือกันขนทวานนักขนทวานเบา ผลแต่สัวทั้งทั้งสัมทั้งกายเนั่นเป็นอย่งมันชอบเกิดในทว่านนักแท้มันเป็นอย่งมันจังชอบเกิดในรักแร่มันเหตุฉไัยมันจังชอบเกิดในนวดในข้างเอกับเพราะที่ไหนสกปรกมากมันก็ชอบเกิดที่นั่นมากเหมือนขี่ัวขี่คล้วยออกไปใช้พักใส่มีมันก็ง่าม เส็นลักแล่ยังสิมันอบมันอ้าวไปดูเหือเ้อด้วยไข้เหื้อออกลักแล่เส้นทว้านนักทว้านเบาเสี่ยมเกิดเลาะย่อมกะหมอกกะม่มมุน่นพบเครื่องเงาเครื่องเหมือนเป็นทอออกมาจากนี้เปลี่ยวมันอยู่นี้ขนมันก็เลยงา ข้างก็คือกันนำไล่ไล่มากเขาอายุแก่ทั้งสองนี่มันเป็นทั้งสอบมีคนข้างหนวดมุ่นนี่สองทวารบนเนาวนเวนมันออกมาทั้งนี้ผลในดังก็คือกัน